เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องหลวงตากับเจ้าแกละเช้าวันหนึ่งก่อนที่หลวงตาจะออกไปบินธบาต พอดีเห็นใบไม้ร่วงอยู่เต็มลานวัดท่านจึงบอกเจ้าแกะให้ไปกวาดลานวัดเพื่อญาติโยมเวลามาทำบุญเห็นลานวัดสะอาดสะอ้านจะได้สบายอกสบายใจพอหลวงตาบินทบาทกลับมาก็พบว่าที่ลานวัดยังไม่ได้กวาดแต่อย่างใดหลวงตาจึงเรียกเจ้าแกะมาถามว่าเนี่เจ้าแกะ ท่านบอกให้แกช่วยกวาดใบไม้ลานวัดทำไมแกไม่ยอมกวาดละ่ะโท่จะกวาดไปทำไมหลวงตากวาดแล้วเดียวใบไม้มันก็ร่วงอีกหลวงตาได้ฟังเจ้าแกะเถียงก็ไม่ว่าอะไรหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากที่พระทุกรูปชั้นอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของสิทธิวัด ที่จะได้รับประทานอาหารกันบ้างบรรดาสิทธิ์วัดทั้งหลายรวมทั้งเจ้าแกละต่างใช้กันยกสำรับกับข้าวมาตั้งที่กลางโรงฉันในขณะที่ทุกคนกำลังจะลงมือรับประทานอาหารอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงหลวงตาพูดดังๆขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮทุกคนกินข้าวกันได้ยกเว้นเจ้าแกละคนเดียวไม่ต้องกิน หลวงตาทำาไมให้ผมกินผมก็หิวแย่สิครับเองจะกินไปทำไมวะกินแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเองก็หิวอีกเรื่องนี้สอนว่านี่แลนนะอย่าคิดว่าฉลาดกว่าพระท่านสามารถเอาสิ่งที่เราพูดมาสอนเราได้เสมอ